ควรจะเจตนาคิดน้อยลงไปหน่อยให้อยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นะอยากเข้าไปอยู่นะให้รู้เรื่องในปัจจุบันถ้าเข้าไปอยู่เนี่ยปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปถ้าเราเข้าไปอยู่เมื่อไหร่แล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจุบันขึ้นขึ้นลงล ง, ลงตามปัจจุบันให้รู้อยู่รู้อยู่กับปัจจุบันรู้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 มันจะไม่ผ่อนคลายละอันนี้เป็นทุกข์ของจิตแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถที่แก้ไขได้แล้วก็ไปผ่อนคลายซะลุกขึ้นเดินไปไปทําอะไรก็ได้ที่เราชอบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นการกวาดบ้านผูบ้านจัดของจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ดื่ม น, น้ำสักแก้วหนึ่งเดินเข้าห้องน้าแบบไม่ปวดเปิดตู้เย็นดูแล้วก็ปิดตู้เย็นไม่มีความหมายอะไรเพียงแค่เนี้ย มันช่วยผ่อนช่วยคลายเครียดของจิตใจได้แล้วง่ายๆอันนี้คนที่เดินได้นะแต่คนเดินไม่ได้อย่างผมถ้ามันเครียดขึ้นมามนก็ไม่ต้องลุกไปไหนเพียงแค่เปลี่ยนระดับสายตาจากมองกลมเป็นมองไกลซะมองไกลๆมองให้สุดสายตามองแบบไม่มีความหมายอะไรส่รงความรู้สึกของจิตออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ท่งจิตออกนอกนะเพียงแค่รู้ให้สุดสายตาแบบไม่มีความหมายอะไร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 แก้ไขเปลี่ยนดับสายตาเปลี่ยนมองไกลๆเมื่อเราจะมาหายใจเล่ น, เล น, เลนๆเบาๆอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้ทำให้จิตเนี่ยกลับสู่สภาพที่เป็นปกติรู้จิตสบายเบาขึ้นนิสัยของนักปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มจเจริญสติก็เริ่มตั้งจิตได้ผิดแล้วจะมุ่งกับความสงบอยากให้มันสงบเริ่มหาเรื่องให้จิตมันทางานนะอยากจะสงบนะแต่ว่า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 เนี่ยผมไม่ได้บอกแล้วถ้าทะเลาะ ก, กับผมก็ทะเลาะ ก, กับผู้เจ้าก็แล้วกันผู้เจ้าบอกไว้ว่าจิตเนี่ยปกติมึงเขาเนี่ยประพัฒสอนผ่องใสยอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วความผ่องใสเนี่ยของเดิมมึงเขาแต่ที่จิตมัวหมองไปก็เพราะว่ามีอุปเอเกิเรสจอนมาจรมาสู่จิตใจชั่วขนาดหนึ่งนะแล้วเขาก็จะจร อ, ออกไปจิตก็ผ่องใสเหมือนเดิมของเดิมมีอยู่แล้วแต่ของใหม่ไม่ใช่ของจริงนะ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 เชื่อความคิดว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราไอความคิดเนียเป็นตัวตนของเราของเราจริงๆเกิดการยึดมั่นถืมั่นให้ได้ยังใจแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไปไมไ่ยังใจเราเราก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่ได้เห็นความคิดเพราะไม่เห็นความคิดจิตจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราอีกนะเป็นเรื่องของจิ ต, จ ต, จตเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรไม่ต้องทาอะไรของเข้าดีอยู่แล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป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 เพราะใครเล่าเป็นผู้ดูกายถ้าไม่เชิดจิตเมื่อกายมันไม่สแสดงการอากมาด้วยจิตมันก็นสแสดงไม่ที่ใดเขาที่หนึ่งต้องสแสดงออกมายิ่งทุกขเวทนามากๆโอ้จิตยิ่งสแสดงอาการทุรทุไลามากมากขึ้นยิ่งเห็นได้ง่ายขึ้นเวลาปฏิบัติในเวลาเจริญสติเนี่ยเวลากายมันเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ให้เรารู้ให้รู้ทันแล้วก็เปลี่ยนอยาบทเปลี่ยนกายเป็นอยาบทใหม่ซะเป็นการแก้ทุกข์ไปชั่วคราวด้วยสติ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 ในที่ประชุมก็ดีห้องสมุดก็ดีเขียนว่าโปรดรักษาความสงบแสดงว่าสิ่งนั้นมัอยู่แล้วสมัยก่อนนี่สมัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเห็นไหมเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเวลาครูเข้ามาสอนเด็กก็จะบอกว่าเงียบเงียบหน่อยไอ้คนนั้งก็ลุกไปตีคนโน้นลูกไปตีนี่เงียบเ ง, งียบหน่อยไอ้คนตะโกนอ่ะทําให้มันเงียบเพราะถ้าอยู่เฉยๆนะมันก็สงบเหมือนจิตเราเนี่ยเขาเป็นปกติอยู่ก่อนระวังรู้สึกตัวดิ ความมีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตก็เป็นจิตเหมือนเดิมเพราะว่าธรรมชาติของสติคือเป็นอิสระอยู่แล้วเวลามีอารมณ์ดีมายัว่วก็ไม่ดีตามไปด้วยแต่รู้อยู่ว่าอารมณ์ดีมากระทบเวลามีอารมณ์ไม่ดีมากระทบมายัว่วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกไปด้วยแต่รู้อยู่ว่าเนี่ยคืออารมณ์ที่ไม่ดีเห็นหจิตเขาจะเป็นปกติเมื่อมีความรู้สึกตัวสติเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ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 เมื่อเราผ่านอุปสรรคไปได้มันจะมีคนรู้ใหม่ๆมันจะรู้จักคิดแล้วก็ฉลาดยิ่งขึ้นเป็นประสบะการณ์มีความเข้มแข็งอดทนกระตือรือร้นที่จะช่วยตัวเองชีวิตที่ไม่มีจีวาเนี่ยมันลูกนิลุกหลน้นชีวิตที่มีจีวาเนี่ยมันกระตือรือร้นมันต่างกันนะกระเตือรื้นกับลูกน้ลุกล้นเนี่ยมันต่างกันกระตือรือร้นเนี่ยเป็นความเพียรลุกนลุกร้นนี่มันฟุ้งซ่าน คนที่มีชีวิตที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคมาเลยไม่เคยผ่านความลาบากเลยเจ้าชีวิตไม่รอดเจ้าตัวไม่รอดเพราะไม่มีประสบการณ์จะอ่อนแอส่วนคนที่ผ่านอุปสรรคมากๆฝ่าฟันความทุกข์ยากลาบากโดยที่ไม่ท้อแท้เนี่ยบ้านปลายของชีวิตเนี่ยจะประสบผลสาเร็จก็มีมากมายอุปมาไม่ยังกับเหล็กที่ผ่านไฟแล้วกลายเป็นเหล็กกล้าได้ชั้นใดคนที่เข้มแข็ง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 เวลาจิตฟุ้งซ่านก็ไปผ่อนคลายอย่างเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างมันจํากัดหมดเลยความทุกขหาง่ายความสุขหายยากอ๋อแต่ก็ขอบคุณมันนะผมก็ใช้ความทุกเดี๋แหละเอามาท้าทายความสามารถมันซะเอาความทุกขไปแลกกับความไม่ทุกเอาความทุกที่มีอยู่เยไปแลกกับความไม่ทุกมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะดญาติธรรมบางท่านเนี่ยทําบุญหนึ่งบาทยังแรกกับนิพพานเลย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 ถ้าว่ามีมรรคผลอยู่ในตัวความรู้สึกตัวเลยมีได้เพียงแต่ว่าเราเจริญสติมากๆรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้ไปเรื่อยๆที่ตัวเราเนี่ยพอรู้ปัญญ า, นานเนี่ยมันจะเข้าสู่ภาะวะที่รู้สึกตัวได้จากสติกลายเป็นความรู้สึกตัวทํามากๆทำํำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไปชนกับนิพพานเองชนนะเนี่ยทลุทะลวงไปเลยความรู้สึกตัวทะลุไปถึงประตูนิพพานเลย แล้วเปิดเข้าด้วยไ ม, ม่เลาะเร็มๆเปิดเข้าไปเลยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าถึงนี้พ่านโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันถึงไม่ได้หรอกตายไม่ถึงมันติดอยู่แค่ปากทางก็ไม่ถึง <laughs> เพราะฉะนั้นจิตสติมากๆทํามากๆทําบ่อยๆพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยไม่ต้องทําเขาเป็นเองเขาจะเป็นไปนเองไม่มาต้องช่วยเขาหน่อยเด็กหัดเดินก็ต้องมีเครื่องช่วยพอเดินเก่งแล้วเขาก็เดินได้เองยากไหมสงสัยไหม ถ้ารู้ว่ากําลังสงสัยนี่ก็รู้ตัวนะเนี่ยอ๋อนี่เรากําลังสงสัยอย่ามีนิสัยที่จะหาคําตอบสงสัยเมื่อไหร่หาคําตอบแล้วก็เราต้องหาคําตอบเรื่อยไปเราหาคำตอบด้วยการรู้สึกตัวอ๋อนี่มันสงสัยแล้วเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคําตอบสุดท้ายตัต่อไปมันจะไม่ต้องสงสัยเมื่อสงสัย pivot, แล้วก็รู้สึกตัวมันก็จบไม่ต้องหาคําตอบให้มันเหนื่อย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 เพื่อมาให้มันแม่มันคิดมันก็ต้องฝืนกันหน่อยออกมาเหมือนที่เราเราลงวิ่งแข่งขันวิ่งแข่งขันกีทาร้อยเมตรอยู่คนละลู่ลู่ของความหลงกับคู่ของความรู้เรากต้องวิ่งอยู่ในลู่ของความรู้เนี่ยแต่ความหลงมันแซงหน้าเราพึ่แล้วก็วิ่งไล่ตามความหลงอยู่เรื่อยสองลู่เนี่ยไม่ทําอะไรกันนะหลงก็หลงไปแต่เราก็รู้แล้วอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ ใหมายก็ไปกันเขาก่อนเนี่ยกรรมการเป่าปีดผิดกติกาไปกันทาไม่ได้เราก็รู้อย่างเดียวเหมือนเวลาเราเลรสติเนี่ยเวลามันคิดเนี่ยไปห้ามมันไม่ได้แล้วก็แม้ที่รู้สึกไปเฉยๆมันวิ่งกันอยู่คนรู้ใหม่ๆก็หลงเพราะเรื่องการปฏิบัติมีสองอย่างแนวไหนก็ตามมีอยู่สองแนวแนวรู้กับแนวหลงอะแนวรู้ก็รู้กายรู้จิตไปแนวหลงก็รู้อะไรก็ไม่รู้ข้างนอกตัวนั้นน่ะคือแนวหล ง, งนั่นกันนะอย่างเนี้ยอย่างที่มาเนี่ยคือแนวรู้ทางนั้นอะ แนวหลงก็ไม่ค่อยมาฝึกนานมฮะกว่าความทุกข์จะเริ่มลดน้อยลงนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนกับการเจริญสติอยู่ทั้งวันในรูปแบบนอกรูปแบบก็มีไม่มากเลยเพราะว่าผมคนที่ว่างงานไม่มีอะไรทํานะว่างงานแต่ใจไม่ว่างนะโอ้กลายมันว่าง ใ, ใจวุ่นเหลือเกินก็ต้องอาศัยหางานให้ใจทาโดยการเจริญสติรู้กายไปเรื่อยๆหนึ่งอาทิตย์แรกนี่ไม่รู้อะไรเลย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 อย่าไปตั้งใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปบังคับมันจิตเพิ่งแค่หน้าที่ธรรมดาอย่างน้อยทุกครั้งที่จิตมันรู้จิตมันก็ทุกอยู่แล้วในตัวมันมันเปนทุกอยู่ในตัวแล้วจนกลัวร่ากายกับจิตเป็นทุกอยู่แล้วเนี่ยให้เราเห็นมั้งไงว่าอ๋อความจริงของจิตได้เป็นทุกขมันเคลื่อนตัวไปคิดตั้งหน่อยเดียวนั่นแหะมันก็เป็นทุกแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยไปแบบไปไปเดินมาในขี้เกียจคิดนะว่ามันขี้เกียจคิดพอคิดแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันเป็นทุก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 อันนั้นคือความทุกข์ของจิตที่มันขึ้นๆลงๆอย่างนั้นน่ะแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเจริญสติเนี่ยอย่าไปกลัวว่าจะไม่รู้อะไรนะอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลงไปไม่เป็นไรหรอกมันหลงก็ไม่เป็นไรเมื่อมันรู้ได้มันก็หลงได้เหมือนกันเรื่องธรรมดาเมื่อหลงได้กลับมารู้ได้เหมือนกันก็เรื่องธรรมดาปล่อยเขารรทํามาทีเองเขาอย่าไปจัดแจงจัดการเขาให้ได้อย่างใจเราสบายเลแล้วอยู่วงนอกดูอยู่นอกดูอย่างห่าง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 ถ้รู้เฉยเฉยยังห่างเนี่ยเปลี่นเป็นแค่รู้เฉยเฉเนี่ยให้เลมหายใจมันเหนื่อยแต่ผู้รู้ไม่เหนื่อยผมเคยนอนจรตตินอนพลิกมือเล่นรู้สึกรู้ตั้งใจเกินไปพยายามรู้ให้มันชัดๆเนี่ยนิสัยเราไม่ดีอย่ากให้มันชัดๆอย่าให้มันดีๆนะมันเข้าดีแต่นิสัยเราไม่ดีไปบังคับดูมันตอนแรกมันก็สงบดูเหมือนจะดีแต่ทําไปทํามาเนี่ยมันเครียดมันเข้าไปเคลื่อนไหว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 เดี๋ยวมันก็มีอะไรไม่ให้รู้ใหม่มก็ปล่อยไปรู้สึกยังไงต่อไปรู้สึกพอใจไหมเวลามันดับไปแล้วดูต่อรู้ต่ออนนี้มันพอใจแล้วรู้ต่อเนื่อง <c oughs> ถ้ามันมั่วไม่รู้จรู้อะไรก็เอามาเคลื่อนไหวหกายเล่นมาดูพื้นฐานดูรูปแบบของเราเลยอย่าปล่อยให้จิตมันลอยอยู่บางทีเราดูกายเคลื่อนไหวแล้วพอจิตมันคิดปับ๊บดูจิตปับ๊บจิตดับไปโอ้ยภูมิใจหลุดไปเลยจิตลอยไปเลย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 ว่าแมวนี่ตัวผู้ตัวเมียพอดูไปนานเนี่ยโอ้นี่แมวตัวผู้ตัวเมียจะรู้เองจะเห็นขนของแมวว่าเป็นยังไงเนี่ยเท่ากับเห็นรายละเอียดของแมวเลยนะดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ต้องเห็นแมวเป็นแมวเหมือนดูกายดูใจบ่อยๆเนี่ยจะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นไตลักษณ์ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ดูเดี๋ยวเดียวดูบ่อยๆเราจะเห็นไตลักษณ์ปรากฏขึ้นชัดเจนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบัคับบัญชาไม่ได้เขาจะปรากฏขึ้นในเราชัดเจน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 เวลามันคิดอีกกลับมาลุ้รู้สึกตัวนะเวลามันคิดอีกกลับมารู้สึกตัวต่อไปเนี่ยมันไม่ไปและ้ะมันไม่เชื่อละมันเป็นการสอนจิตว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กับกายอยู่กับกายอย่าไปากับเขาจิตมันถูกสอนพอจิตถูกสอนแล้วมันก็เชื่องต่อไปเราก็ไม่สนใจความคิดละความคิดคือสิ่งแปลกปลอมจัดการได้ก่อนเลยนะอ๋อความคิดคือสิ่งแปลกปลอมรู้กายน่านเข้าเอ๊ะรู้กายเนี่ยมันก็ติดนะนะมันละกลายเป็นว่ารู้อยู่ห่าง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 แยกกันได้มันไม่คือเครื่องอาศัยอาจารย์คะเราจะพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ยังไงคะอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยเรื่องแมวกวับหนูอะคะ่ะคือพยายามจะเป็นแมวที่นอนกระดิกหางแต่เผลอแป๊บเดียวมันก็จะไปจ้องดองรูหนูประจำเลยนะคะก็พัฒนาขึ้นจิตผู้รู้ขึ้นมาได้งไงคือแยกตัวเราออกมาให้รู้ตัวเราโดยที่ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราอค่ะก็อย่าไปคิดแยกอย่าไปคิดทําลายเขา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 ความเคยชินก็เกิดความเป็นเองอยากจะให้อาจารย์แนะนําหน่อยอะคะ่ะว่าสมมติว่าเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีการคิดเรื่องงานบ้างบางทีไปกระทบกบอารมณ์อื่นบ้างแล้วบางทีเราก็ปรุงแต่งเองบ้างเงี้ยคะ่ะอาจาะแนะนําให้ทํำยังไงดีะคะเพราะว่าเราทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะก็ค่อยรู้มันกระทบอารมณ์แล้วก็ค่อยรู้มันการคอยรู้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการช่วยผ่อนช่วยคลายจิตได้บางครั้งเนี่ยเวลาเราคิดมากๆเนี่ย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 และต่อไปมันก็จะไม่ขาดสติเห็นประโยชน์การมีสติเห็นทุกท้อขอการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆการฟังธรรมะก็ทําให้สติเกิดได้เหมือนกันการคบกับกาลยาณมิตรคือคนที่มีจิตใจสงบเป็นปกติคนที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปคบกับนายฟุง้งก็ทวนฟุ้งไปทั้งวันสติก็ไม่เกิดใช่ไหมคบกาลยาณมิตรเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เจอพระปั๊บ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 เพราเราสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าเคลื่อนไฟีๆอย่าทุกขฟรีๆอยา่อยาคิดฟีๆคอยรู้ันบ้างไอ้บ่อยๆนี่แหละมันจะเกิดความเป็นเองจึงต้องมีความเพียรขณะทํางานเนี่ยเวลาคิดมากๆเราแอบดูซะมาอ๋อนี่เราคิดมากแค่นี้ก็ได้คะแนนสติแล้วแอบดูจิตเห็นไหมแอบดูจิตนี่ยโหได้ข้อมูลมากนะแอบดูอะไรก็ตามดิมได้ข้อมูลชัดเจน